ันั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนที่ยั ง, งโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาที่ยังทำผิดอยู่นั่นแหละให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องที่คนยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปอันนี้เป็นหัวใจ นี่เป็นคําพูดคําเตือนของพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆคําว่างโง่นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องการหาเงินหาทองหรือการซื้อการขายการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงสิ่งนี้หมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงโทสะโมหะโลภมาทาลาย ตัวชีวิตของเราหรือมันแสดงความไม่ดีไม่งามออกมาอันนี้แหละเรียกว่ายัา ง, งโง่หลงยังไม่เข้าใจยังไปงมยังไปอาใจอะไรมาช่วยให้โทสะโมหะโลภะลดน้อยลงไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยตัวเราเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งใครทำไม่ได้แต่พึ่งพระพุทธเจ้าทำให้ก็ไม่ได้บัดนี้เรายังไปพึ่งถีพึ่งเทวดาพึ่งการรักษาสินพึ่งการให้ทานแต่พึ่งการทำกรรมฐานหรือปัสนาอยู่ที่ไหนรู้ยังไม่รู้เรื่องนี้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอาจะาพึ่งได้อันนี้เลยเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้นี่ว่าโหสะโมหะโลภะนั้น จะจางภายไปก็เพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจนี่เองดังนั้นที่ผมหรือตัวจะมาจะพูดให้ฟังเพียงท่านสั้นฟึ้งใจเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียนสลาดทุกอย่างก็ตาม ถ้าหากยังไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ายังไม่สลาดนั่นเองอันนี้เลยจึงสอนให้คนทุกคนสลาดพระพุทเจ้าสอนสอนให้คนกาลังทาผิดนั้นคือมันไม่รู้จักวิธีธรรมคือไม่รู้จักทาอันนี้ไม่รู้จักการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการจาการนึกการคิดนี้ เรียกว่าทำผิดเมื่อเรารู้สึกตัวในการทำการพูดการคิดในการไปการมาการพูดการจาจิตใจมันนึกมันคิดรู้เท่ารู้ทันรู้จากกาันรู้จักแต้อันนี้เรียกว่าสอนให้ทำถูกต้องอันทำสิ่งอื่นนั้นยังไม่ตรงเข้ามาจุดนี้อันว่าอย่างนั้น สอนให้คนกำลังมีทุกข์ให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปหรือจางคายไปก็สอนให้คนดูจิต ด, ดูใจกำลังมันนึกมันคิดนี่เองเมื่อไม่หลงจุดนี้ความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์นั้นคือโทสะทุกข์เพราะมีโทสะมาทำให้เราโกรธ ให้เราเครียดเราไม่พอใจนี่ทุกข์เพราะเราหลงนี่ถ้าเราไม่หลงโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะเรามีโลภะนี่ถ้าเราไม่หลงเราไม่โกรธโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่ง น, นี้พระพุทธเจ้าสอนทุกข์เพราะโทสะโมหะ โลภมาลบ ก, กวนเหมือนกับเราอยู่ในถ้ามืดอยู่อย่างนั้นแหละควบหน้าอยู่อย่างนั้นเละไม่มีความสว่างภายนในจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าคนสมัยนี่้ว่าขัดใจไม่พอใจ ไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูกคือพอใจแล้วมันจกิดแล้วอย่ขัดใจถูกใจเราว่าไม่ถูกใจเนี่ยไม่ถูกมันถูกใจเราจริงๆโทสะมันถูกแล้วโมหะมันถูกแล้วโลภะมันถูกแล้วชื่อว่าให้ดูไปที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ ให้เข้าใจที่ตรงนี้จริงๆถ้าหากไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสที่ตรงนี้ความทุกนั่นจะไม่จางหายลงไปเลยแม้จะศึกษาเล่าเรียนพระไปิฎกจนจบก็าตามแต่พาสมภาษาค่องแค่วงไว้รู้จักอัดรู้จักแฝดทุกสิ่งทุกอย่างก็าตามถ้าหากยังไม่มาแก้ ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนที่ตรงนี้ก็ยังไม่สมควรยังไม่คุ้มค่ากับความมาเกิดเป็นคนนั่นเองยังนั่งคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดประมวลลงมาจุดนี้เป็นข้อแรกที่สุดเมื่อทำลายโทสะโมหะโลภได้ นั่นแหละเรียกว่าเรามีสินสินจึงเป็นเครื่องกจาจัดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเงินทองอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันจริงกิเลสอย่างหยาบคือโทสะโมหะโลภมีเองแล้วก็กิกเลสสัหาอุปทานตามทำชั่วนั่นเอง อันนี้แหละกิเลสอย่างหยาบเมื่อจึงเหล่านี้ลดน้อยลงไปสินจริงปรากฏเพราะสินมันหงายหน้าขึ้นมาแล้วสินนั้นหายเกลียวที่มันอัดแม่นั้นออกแล้วจึงว่าสินจึงเป็นเครื่องทำลายกิเลสเอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบจางหายไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือสิน สินนั้นแปลปกติกายปกติวาจาปกติใจจึงเห็นว่ากายปกติวาจาปกติใจปกติอันความปกตินั่นแหละเียว่าศินถ้าเราไปรับศินห้าสินแปดสิน 10, สิน 7, สินสองอยี่ิบเจ็ดสินสามร้อยกว่าสามยังไม่เห็นกายเห็นวาจาเห็นจิตเห็นใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมุติเท่านั้นเอง ยังไม่เป็นตัวสินแท้ตัวสินแท้ตัวสินจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแต่ต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมติให้ฟังเรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละมีคนมาจับมือจับแขงจับขาจับที่ไหนก็ตาม มีสองคนสามคนมาจับพร้อมกันก็นรู้ปึ๊บพร้อมกันทันทีเพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือสินสินจะเป็นเครื่องกำจกัดกิเลสอย่างหยาบอันคำว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้จะเป็นพระเป็นเนน เป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่พอตามวางตัวของผมวางตัวะมาพูดอยู่ตรงนี้แหละดูจิตดูใจของท่านดูสินั่นแหละคือความสงบแท้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปสร้างความสงบอะไรไม่ต้องไปสร้างสมาธิอะไรเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำที่ตรงนี้ เราจึงไม่รู้จักความสงบแบบนี้เพราะสัญญาตัวนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเราต้องให้สัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ของมันจริงๆสัญญาจึงความหมายรู้จำได้ไม่แค่จะจำมาจากตำราไม่ใค่จะจำมาจากครูบาอาจารย์สอนให้เราจำว่าเรานึกเราคิดเราเห็นเรารู้ อันนั้นแหละคือสัญญาแท้เรากำมือรู้สึกเราเยียดมือรู้สึกเราพิตารู้สึกเราเลือดซ้ายแลขวารู้สึกเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกมันความรู้สึกนี่นแหละคือสัญญาให้มันทำหน้าที่ของมันเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้ มันจะไม่มีวันหลงวันลืมเพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันจริงๆแล้วเป็นังสังขารมันจะไม่ปรุงไปในทางที่ผิดสังขารคือจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่มมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาถ้ามันเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันแหละเราหัดใจ เราไม่พอใจมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองไม่แค่ขัดแย้งคนอื่นนะขัดแย้งดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจพี่เมื่อเรามาเห็นมารู้มาทำความเข้าใจขับที่ตรงนี้ความสับสนวุ่นวาย เหตุมันจะไม่เกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะมันมิริการขัดแย้งกับตัวของมันเองเพราะตัวสัญญาตัวนี้เข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นที่ตรงนั้นมันได้ทําหน้าที่ของมันโดยตรงขึ้นมาแล้วอันนี้เหละสยสมาธิจะเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลาง ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนถึงที่สุดแล้วหยานย่อมมีญานนั่นคืออะไรญานแปลว่ารู้แปลว่าเข้าไปสัมผัสไปแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นเพราะรูปมันทําหน้าที่ของมันเวทนามันทําหน้าที่ของมันสัญญามันทําหน้าที่ของมันสังขารมันทําหน้าที่ของมันวิญญาณมันทําหน้าที่ของมัน หน้าที่ของมันมันทำเองจริงว่างานเข้าไปรู้เมื่อมันทำหน้าที่ของมันสําเร็จแล้วเราก็รู้อันนี้แหละท่าพระเจ้าสอนคนให้คนทำหน้าที่ของคนให้คนทาหน้าที่ของคนจะหมดทุกไปเพราะมันทำหน้าที่ของมัน งานให้ทานการรักษาศีลการทําสมาธินั่นดีแล้วแต่ยังไม่ทําจุดนี้เมื่อไม่ทําจุดนี้งานก็ไม่สําเร็จแต่คนอื่นนั้นจะทํำยังไงก็รู้ผมไม่รู้กับเรื่องของคนอื่นแต่สําหรับตัวของผมตัวของอาตมาต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่รู้เคยให้ทานมาเคยรักษาศีลมา เคยทำกรรมาฐานมาหลายวิธีที่ทำมาแต่มันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เข้าใจเรื่องนี้มันไม่รู้เรื่องนี้มันไม่มีการอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังได้ดังนั้นเมื่อมาทำเรื่องนี้ทาความรู้จึกตัวนี้เองทึกมือขึ้นก็รู้ควอมือลงก็รู้ทึกมือขึ้นก็รู้ยกมือก็รู้ กำมือก็รู้เยียดมือก็รู้เหลียวซ้ายเหลียวขวาก็รู้เอียงซ้ายเอียงขวาก็รู้ก้มมือก็รู้นี่มันรู้อันนี้ทิศตาก็รู้หายใจก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้เมื่อมันรู้แล้วความรู้นั่นแหละจะทําหน้าที่ของมันเองดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้เดินไปต้องเหลียวหน้าเหลียวหลัง เหลียวซ้ายเหลียวขวท่านสอนเดี๋ยวนี้เราเดินไปแต่ข้างหน้ามองไปแต่ข้างหน้าไม่ได้เหลียวหลังไม่ได้เหลียวซ้ายไม่ได้เหลียวขวไม่ได้มองกลับเข้ามาที่ตัวเราเมื่อไม่เหลียวหลังเราก็ไม่รู้วเราทำอะไรมาบ้างให้ทานมาบ้างรักษาชินมาบ้างทำกรรมาทานมาบ้างแล้วหรือเพราะเราไม่เหลียวหลังเรา วันนี้เมื่อเราเหลี้ยวหลังเรามองเห็นสภาพควมเป็นอยู่การทำเราทํามาแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องรู้กันเลียวซ้ายแล่หัวเลียวดูที่คนกำลังทําอยู่นั่นนะเขาทำอย่างไงเขารู้สภาพอุปาว r m ที่เขาทําแล้วหรื อ, อยังเนี่ยเลี้ยวซ้ายแลขหัวมองเข้ามาถึงตัวเราโอ้ตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทําเช่นนั้น นี่ยหละเหลียวซ้ายแลหล่ขวาเดียวเข้ามาเบิงตัวเองเดียวเข้ามาดูตัวเองมามองดูตัวเองเมื่อมามองดูตัวเองแล้วมันเกิดมีความเข้าใจสัมผัสได้จริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดและสอนอวยวช์ตัดทั้งหลายคือเราแตถาคตตัดทั้งหลายเหมือนเราแตถาคตตัดทั้งหลาย เป็นตถาคตคือยังไงเหมือนอยังไงคือกันมีแขนมีขามีตาให้ว่ามีลูกมีเนทนามีกัญญามีสังขารมีวิญญาณคือกันเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันพระสงฆ์องค์เนนเหมือนกันเลือนหนังสือไม่เลือนหนังสือเหมือนกันมีเหมือนกัน คนจนก็มีเหมือนกันคนรวยก็มีเหมือนกันอันมีเลทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกันและกัะโทสะโมหะโลภะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนันเป็นอย่างนั้นเจเลตันหาอุปทานก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันความสงบนันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันมีเหมือนกันท่านวันแบบนี้เมื่อเราทำถูกจุดแล้ว ทำให้ทุกนั้นลดน้อยหมดไปแล้วมันก็เป็นสถาคดเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันเป็นที่ตรงไหนก็เป็นที่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจท้องใสจิตใจว่องไวนี่เองอันนี้แหละเป็นีิเลส อ, อย่างละเอียดอันนี้แหละ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 มันเป็นไปไม่ได้ยางนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำเอง